แต่พอเห็นของแข็งแข็งโยนขึ้นไปเนี่ยแปว่าไม่รับเลยงั้นเถอะกิดไม่ได้ะแต่ว่าตาเขามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ตาเขามันดูๆใกล้ๆเข้ามันตาขนมันค่อยว่าเป็นตาฝ้าขาวๆข้างหนึ่งเออชันเมันก็ใช้กรรมมันกันะตาไม่ดีข้างหนึ่งแต่โดยมากมันเวลาเห็นฝูงเิี้ยงไปแตมันจะไปกับฝูงลิ้ยงเลิงก็ไม่อยากจะให้มันเป็นโมูอีกเีหนึ่ อแต่ไม่ใช่มันก็ไม่มีหมู่มันอยู่ตัวเดียวอ่เนีไปไปมาๆอย่างนี้นชะนีดําตัวใหญ่นะแต่ก่อนหน้านี้ดุเอดุเคยกัดคนเอแต่แลด้หายหายหายดื้อแล้วล่วเพราะมันแก่แล้วอายุมันมากแล้วมันมันแก่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่เดี๋ยวนะี้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 พอเรียนจบแล้วเราไปทำงานที่ไหนบริษัทห้ทางร้านเขาเนยเขาก็รับหมดเพราะเห็นไรเพราะว่าความสามารถเรามีแต่ถ้าลูกหลานเรียนแต่สักว่าเรียน <Okay. S 1> พอผันผ่านไปตนเองพา อ, อย่ไงไมันก็ต้องจบไปแล้วตะเข้าราชพัฒนพอเรียนจบไปแล้วทีนี้ไปทำงานที่ไหนเอาสมัครอิคิดคอมพิวเตอร์ให้ดูซิทำไม่เป็ น, นเนอา้าวเขาจะรับให้ทำงานทำไมใช่ไหมเงินเดือนมืน่นตั้งหมื่นห้าใช่ไหมล่ะเออ เขาจะรับทำไมเนี่ยแหละมันบอกเจ้าของบอกยี่ห้อตัวเองเนีสิโอเรานี่แย่มากเลยทำไมสมัยเราไปเรียนหนังสือทำไมเราไม่ได้สนใจแต่ประเทบนี้เราจะมาทำงานเขาจะไปรับเราได้ยังไงเพราะเราทำงานไม่เป็นนี่แหละการสื่อสารองเหมือนกันการสื่อสารการตลาดเพราะว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ปีห้าแปดมประเทศไทยของเราก็จะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ย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 อยู่กับครูบาอาจารย์ทำให้กูไม่ตั้งใจเรียนหนังสือนะทำไมค่าออกมานี่ยค่าจริงๆรถจากบว่างโงท่ทีนี่ยมันทำอะไรไม่เป็นนะขนาดนั้นจะทำยังไงได้ล่ะผลที่สูดก็เลยนะไปทำไร่ทำนาทำรถทำสวนไปกีดยางอีกอย่างเก่าทั้งที่มันจะได้ทำงานจบมาออคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วกการถือร่อสารการตลาด เ, เป็นวิชาที่ดีทั้งนั้นเลยพนันให้ลูกหลานนะ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 วิธีเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะลูกหลานนะที่ท่านได้ด็ดอกเตอร์มาแล้วท่านบอกบอกกับหลวงพ่อนะอท่านบอกท่านตกรเนื้อท่านบ้านนอกเรียนภาษายา ก, ยากภาษาอังกฤษนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยท่านเอาปากกาเมจิกเขียนเขียนเขียนใส่กระดาษแผ่นนี้เลยเนไงไก่ตัวผู้ว่าไงไก่ตัวเมีย ว, ว่าไงลูกไก่ว่าอย่งไงเขียนแกลบแแปร็จ แ, แล้วก็ไปติดสกระดาษไว้ข้างฝาใช่ไหม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 อังกฤษเป็นอะไรก็ตามที่เราจํำยา ก, ยากเอ๊ะสับเนี่ยมันจํายากไปเอ๊พอกลับไปถึงแล้วก็เขียนเขียนเขียนเขียนไเลย เ, เขียนแล้วก็ติดไว้เอีจากนั้นมากันเราลืมตาขึ้นหม่แล้วก็เห็นเลยเอเอ๊ะวันนี้ครูเขาจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็อ่านอ่านอ่านดูเนี่ะ น, น, น, น, น, นั่นแหละผลที่สุดพวกเราเน่ยโอยเมียฝรั่งเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกเข้าใจไหมเออเมียฝรัง่งเนสู้เราไม่ได้เราต้องเก่งกว่า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 เ, เมืองไทยของเราตกเป็นอันดับแปดในสิบประเทศเออมันจะเป็นรองใครของมลุพุพนะ์รองคำเพรทหรือรองลาวหรือรองพอม่าวะน่าอดสูดูรายจริ ง, รงๆการศึกษาของเมืองไทย อ, อทําไมลูกหลานลูกหลานได้ตรวจตาดูตนเองไหมแต่แล้ววิทยาลานลูกหลานเที่ยวใช่ไหมอ่านหนังสือออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือามานั่งนั่งอยู่แถบนี้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 ไปถึงถังขยะแล้วก็ควักทิ้งใส่กระเป๋าหรือทิ้งพลาสติกอันนั้นคือเด็กฝรั่งเด็กยุโรปแต่เมืองไทยของเราีกเท <c oughs> <c oughs> ้งไปหมดเลยไม่มีมารยาทเลยลกูกหลานได้เห็นไหมแต่ทีเด้จะไม่ให้ใช้แม่เลียวจะทํำยังไงมันต่างกันทางเยอะแยะถ้าเอาเขามาเอาต้องเอาทั้งรุ่นเอาตั้งแต่ลเล่มอออกมาเอาวิธีการสอนมามาถึงจุดนี้มันจึงจะได้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 แต่คนไม่ดีขม่มภาษาเ็าเรียกว่าภาษาภาษาบาลีเขว่านิคไขหะนิคไขหะแปลว่าขม่มปักไขหะแปลว่ายกย่องคนที่ทำดีต้องยกย่องคนที่ทำไม่ดีต้องขม่มอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพอพระพุทธองค์ถ้าพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งนะก่อนหน้านี้นะทิสสาปาโมงเคยเครียนมาแล้วเคขียนพระองค์เนี้ยมันดือ้อ ตอนนพระสงฆ์ทั้งหลายกราบถวพภูษฐายาสมัยไหนพระพุทธเจ้าคขาย ท, าที่ว่าที่ว่าอาจารย์เขียนลูกศิษย์นะพระพุทธองค์บอกว่านี่สมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีสมัยนั้นมีทิศะปะโมกอาจารย์อยู่ที่เมืองตะกะศิลานะแต่เมืองตะกะศีลาทุกวันเนี่ยคือเมืองทาริบันนะทาริบันทุกวันนั่นแหะคือเมืองตะกะศีลาเก่าลูกหลานอยากจะร่วม เมืองตะกะศิลาตะกะศิลานอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือเมืองทาริบันนั่นแหละเดียเ๋ยวนี้ที่เมืองที่กันดานมากแต่ตอนนี้นพวกที่เมืองที่กันดานโดยมากจะมีอัจฉริยะไปเกิดพวกที่อัจฉริยะคือคนที่มีหัวไบรไปเกิดในในเมืองในเมืองอย่างนั้นจากนั้นก็เนี่ยไปเกิดเขาก็สอนวิชาหมดทุกอย่างเลยเป็นเมืองวิชาเป็นเมืองวิชาการตอนนี้นพระเจ้าแผ่นดินก็ดีเศรษฐีก็ดีพ่อค้าในเมืองต่างๆเขาจะหลังไหลไปเรียน เมืองตะกะเชลาเมืองตะกะเชลานี่เป็นเมืองวิชาประดิษฐ์วิชาให้แก่กษัตริย์จะเรียนวิชาไหนวิชาลบวิชาพุ่งวิชาใช้หอกแลนลาววิชากนละเม็ดวิชาวิคณิตศาสตร์วิทย์เขาเรียนรู้ทั้งหมดก็สอนให้ได้ทั้งหมดแต่ในเท่าเรียนเป็นสองผลักผลัดหนึงก็คือพวกที่มีเงินเศรษฐีกับกษัตริย์เขาจะเอาเงินไปแล้ไปวางไปวางให้ทิศตะปงโมกพวกหนึ่งเนี่ยไม่มีเงิน แต่ก็อยากจะเรียนเออเอาพวกที่อยากจะได้เงินจากจะเรียนนี่ก็ให้เรียนกลางคืนกลางวันให้ทำเอาของทําอาหารทํานาทําไร่ทําสวนไอ้กลุ่มนี้ให้มีคนคุมทําไร่ทําสวนพอเสร็จแล้วก็พวกนี้ก็เรียนกลางวันพรมีเงินเสร็จแล้วก็พวกนี้พอเรียนกลางวันเสร็จการนั้นพวกนั้นกลางคืนเข้ามาพวกนี้ก็ได้กินอาหารพวกนั้นแหละพวกอาหารเป็นพวกทำอาหารเนี่ย ไอ้พวกนั้นพวกทําอาหารเลี้ยงพวกนี้ไอ้พวกนั้นใช้แรงพวกนี้ใช้เงินใช่ไหมล่ะอ่มันหมุนเวียนกันเนี่ยคือการบริหารในยุคสมัยนั้นนะตอนนี้ก็พอตกกลางวันพออาจารย์ญญสอนเสร็จตอนเย็นเลยเขาไม่มีน้ําประปาเลยใช่ไหมล่ะไอ้คนที่อยู่มากไม่มีน้ําประปาก็พาลูกศิษย์ไปอาบน้ําลยไปอาบน้ําในแม่น้ําท่าน้ํำออไปสามสี่ห้าร้อยคนพาไปพาลูกศิษย์ไปอาบน้นํนา พอไปถึงทีนี้เจ้าฟ้าชายเมืองพาราณสีเนี่ยกำลังเป็นหนุ่มเหมือนกันกับกษัตริย์ต่างๆแต่เมืองพาราสีจะเป็นเมืองใหญ่นะถ้าเป็นเอเชียของวันนี้คือเป็นอินเดียหรือว่าเกณฑนอย่างนี้แหละให้เข้าว่าเป็นประเทศที่มีอํานาจศักยภาพาในการบริหาราในกรุงพาราณสีจากนั้นเจ้าฟ้าชายกรุงพาราณสีเก็ไปเรียนหนังสือด้วยกัน พอไปอาบน้ำอาจารย์ก็เดินไปไปก็ไปลุกสิทธ์เนี่ยเออเจ้าฟ้าชายเนี่ยไปเห็นยายแก่เนี่ยกาลังตากถั่วที่สงอยู่ใช่ไหมจุกห้างถนน เ, นเออเจ้าฟ้าชายนี่ก็ไปหยิบขยุกมองเอาไปก็ไปกินอาจารย์ก็เฮ่มันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันไปถูกใช่ไหมเฮอาจากนั้นก็ต่อมาเอกมันเห็นอีกยายมาตากแถวใน อาจารย์ก็เฮอดังก็เก่าอีกพอครั้งที่สามอีกท่นี่กรรมอะไรท่นี่เอเเอพราะมันอร่อยใช่ไหมล่ะพอเราดูจายนี่ก็เลยโวยวา ย, ยท่นี่ยายแกนี่โวยวายว้าอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยทำไมนิสัยไม่ดีเลยเออทั้งที่จะมีมารายาทอย่างน้อยก็ขอฉันซะก่อนอันนี้ยิบขยุ่มอะไรเหมือนกับอะไรต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไงถ้าลักษณะอย่างนี้บ้านเมืองไม่มีขือ่อปีแปรอย่างนี้จะทำยังไง อาจารย์ดูซิเนี่ยท่านอาจารย์ลูกทําไมลย่าอาจารย์ก็เลยบอกมายดจับไอ้นัทพวกลูกน้องทั้งหลายก็จับเลยใช่ไหมเพราะอาจารย์สังงงงส่งให้ จ, จับพวกนั่นไอ้นึงผิดไอ้พวกนั้นก็จับเลยเพราะอาจารย์สั่งให้จับอ่าจับพวกนั้นก็จับพอจับได้ อ, จดอาจารย์ก็แซ่หวดเลยใช่ไหมเนี่ยแซ่ใส่หลังเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยพอใส่หลังเสร็จเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปกันทีไหน ไม่ไม่ว่าอะไรกันไปต่างคนก็ต่างไปเดินไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกลับมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตักนั้นก็เข็ดเลยทีนี้โอ้อาจารย์เอาจริงใช่ไหมล่ะเออมันไม่ใช่ธรรมดาลนะี่ใครก็กลัวหมดแล้วไม่มีมารยาทเนี่ยอาจารย์เอาจริงๆรใช่ไหมพอต่อมาทีนี้ก็เรียนจบอาจารย์นักศึกษาในเรียนจบพอจบแล้วทีนี้ก็กลับไปกลับไปในไปในบ้าน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 จังเจ็บปวดอยู่ในใจถ้าไม่ได้กุดหัวอาจารย์เแล้วมันคงไม่หายโกรธอะวะเออนี่แหละถ้าไม่ได้กุดหัวอาจารย์เนี้คงไม่หายโกรธนะข่าวนี้วะอาจากนั้นก็เลยเขียนจดหมายไปไปหาอาจารย์ที่สัพปปโมกอาจารย์ที่สัพปปโมกก็ได้อ่านจดหมายโอ้ไอ้นี้เ อ, อได้จได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วไม่ยังไม่ลืมอาจารย์เว้เออเพราะอาจารย์โดน เขียนหลังไปแล้วมันยังไม่ลืมเนอะโอ้เ oh. นี้ยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมมันวะไอ้กีดื้อเนี่ยนะอาจารย์ก็ถือคล้ายๆว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรใช่ไหจบแล้วก็คือจบไปใช่ไหมแต่ทีาอาจารย์ก็นั่งรถม้ามากับเมียของตนเองนะ่ยแม่บ้านนะี่ยพอมาเขาก็พระเจ้าเป็นนี่ก็บอกว่าถ้าเหานว่าอาจารย์มานะคนอย่างนี้นี่มาปล่อยเข้ามาเลยนะเขาก็สั่ ง, ส, งสั่งไปแต่ถึงมาเขาก็มาม า, ม า, ม า, ม า, มาตามนั่นแนหะมาตามที่เส้นทาง พอมาถึงนี่พระเจ้าแผ่นดินก็ทั่งอยู่ในท้องพระโรงในบรรลังใฮ่บรรลังท้องพระโรงอย่างนี้แหละอคล้ายๆกับว่านักโทษเข้ามานักโทษเข้ามาก็คือโทษทใหญ่โทษที่หนักๆนะ่ะก็จะต้องผ่านพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นผู้ตัดสินถ้าว่าโทษเล็กโทษน้อยกับพวกอํามาตย์วินิจฉัยคดีความถ้าโทษใหญ่ก็พระราชาทันที่นคนก็ยกมาพระราชาก็ตัดสินเอาโทษประหาร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 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้อาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาใหญ่ของผมก็เลยให้เป็นประธานองค์ข้ามูลตรีเลยว่มงั้นเถอะอก็เลยอยู่กับ อ, อ, อยู่กับลูกศิษย์หัวดื้อคนนั้นตลอดไปเลยนี่แหละแล้วว่าชาดกเล่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนดื้อถ้าเราลงไม่ลงไม่เลี่ยวจะเป็นยังไง ถ้าเขาจะเป็นปลาดต่อไปภายภาคหน้าเขาจะต้องสานึกได้ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่โดนอาจารย์ลงไม้เลี้ยวแต่ขาวนัน่นนะเราจะเป็นยังไงถ้าอาจารย์ใจดีเอาง่าก็ได้ผลในสูตรก็เลยเลอะเลอะเถอเอเอเลอะในสูตรอ่านหนังสือก็จะไม่ออกเอาเลยเนี่ยจบไปก็จบไปอย่างงั้นน่ะจบแบบไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเข้าอยู่ในชุมชนสังคมใดโน่นเป็หลบอยู่ทั้งหลังเขาเนี่ย <aurais c oughs> ไม่กล้าที่จะออกไปเชิญหน้าเขาได้เพราะเหตุอะไร เพราะว่าความรู้โตอ่อนความรู้ของเรามันอ่อนกว่าเขาเนีน้อันนี้คืเพ่ออะไรเพราะอาจารย์ใจดีอจะพูดออกไปก็กลัวเสียใจลูกศิษย์ลูกหาสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่ามันน่าจะเข้มแข็งนะลูกศิษย์ลูกหาลูกลานนะให้ตั้งใจเรียนหนังสือนะอถ้าหากว่าพวกเราขี้เกียจเรียนหนังสือพอเข้าประชาคมอาเซียนเนี้เนนะี่ยพวกเราอยู่ที่หลังเขา เดินตามหลังลาวเดินตามหลังกะเหม็นเดินตามหลังยวนเดินตามหลังพมา่านขายขี้หน้าจริงๆนะลูกหลานนะหลวงพ่ออยู่ในป่านี่จะมุดเข้าไปผูก้อนอีกให้ลึกกว่านั้นไปอีกมั้งนั้นเถอะถ้าลูกหลานโง่ถึงขนาดนั้นเพรานะนั้นลูกหลานนะอย่างโง่นะลูกหลานหลวงพ่ อ, อนนะเองนะอพ่อหลวงพ่อเองเนี่สร้างโรงเรียนมาเท่าไหร่แถบแถบนี่เห็นไหมเอเดี๋ยวนี้ก็จะสร้างอเอาให้อํเภอเพนี่ยอ่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อ นี่เห็นไหมที่นั่งผ่านไปเนี่ยนะโรงเรียนบ้ารนาคําร้อยนะเนี่ยเอทั้งสิบหกห้องเรียนนะ่หมดไปทั้งสี่ห้าหกล้านทั้งอนุบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยอจากนั้นไปทางน้ําโสมเห็นไหอโรงเรียนฉันตุ๊สโกธีระธรรมโมอที่น้ำโสมก็ทั้งสองหลังบักใหญ่สาชั้นนะทั้งสองหลังอยู่นั่นนะอยู่ที่อําเภอน้ำโสมนะอที่เอราวันกันหลังหนึ่งเห็นไหมที่เชียงคานอีก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 ประจอดที่ข้างถงนนก็วิ่งแล้วก็ส่งส่งส่งส่ ง, ส ง, สงความปลอดภัยพ่อแม่เขาได้ยินก็คงจะดีอกดีใจเพราะว่าปลอดภัยลูกหลานได้ขึ้นรถบัสแล้วก็ลงถึงที่พักพาอาศัยของตนเองเพอรถบัสนําส่งถึงสถานที่นี่แหละราคาเท่าไหร่ราคาห้าล้านห้าล้านห้าแสนลุงพ่อเออเอาไปเป็นประทานพลในสุดได้ห้าล้านสามแสนนเดี๋ยวกําลังสั่ ง, งทํารถอยู่ที่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 เป็นห้าล้านสามแสนเขาบอกเขาจะขับรถมาส่งหลวงพ่อให้หลวงพ่อได้ดูอยู่คอนนี่แหละหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามลูกหลานการศรึกษาสรุปแล้วคือหลวงพ่อเสริมนะส่งเสริมการศรึกษาของลูกของหลานไม่ใช่แต่เสริมแต่การศรึกษาพยาบาลหลวงพ่อก็ส่งเสริมเดี๋ยวนี้สร้างตึกอยุ่ที่เอตึกหลังตึกหลงตานหลังบักใหญ่เธอเลยนะอะสิบชั้นจอดรถได้ประมาณสักเจ็ดร้อยคัน หมดไปแปดสิบกว่าล้านเสร็จแล้วมอบงวดสุดท้ายแล้ ว, วแต่เราที่มีแต่หาวันฉลองเด่นหลวงพ่อยังติดงานหลวงปู่จามอย่างที่ว่า น, เ, นเดี๋ยวนี้มีแต่พวกญาติคงป่วยขึ้ น, ไป น, นไปนอนไปนอนไปนอนอยู่ในตึกแล้วนั้นเพราะเราไม่ให้ยังไม่ให้ลถขึ้นไปจอดใช่ไหมเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพออ่อเรื่องพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์หลวงพ่อก็เอง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 ไม่มีรถขนาดไหนไม่เข้าอู่อันนี้ก็เหมือนกันระดับเศรษฐีพ่อค้าขนาดรวยขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งต้องเข้าอู่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลมีความจําเป็นหลวงพ่อคิดอย่างนั้นไปอีกนะลูกหลานนะไม่ใช่คิดใกล้ๆนะนี่แหละความคิดของหลวงปู่หลวงตาพระป่าเนหะลวงพ่อยังคิดอีกนะแต่พวกเราอย่าไปพูดให้ใครฟังนะหลวงพ่อบอกพวกเดินมอบเนี่ยมันโง่จริงๆหลวงพ่อว่าไนงะ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 มันจึงจะถูกมันให้ไปปิดถนนให้โง่ทําไมหลวงพอ่อยแต่อย่าไปพูดไปพูดมานะ ล, ลูกหลานนะอย่าไปบอกว่าหลวงพ่ออินแนะนำเนะแมนบอกผู้บาอาจารย์วะฮะแต่อย่าไปบอกว่าหลวงพ่ออินแนะ น, นําเน่าวะพูดอดไเป็นหัวหน้าต่อเปสัน้นใครเป็นหัวหน้าใช่ไหม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 จนชาวบ้านจนไปไม่ออกเดือดจนไม่ได้กําไรเลยนะแต่นี้ถ้าว่าเราเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมชาวนาใครไปทําอย่างนั้นลงสีไหนทําอย่างนั้นผู้แทนของเราไปเอออย่าทําอย่างนั้นนะถ้าทํานั้นพวกเราอยาขายให้นะเออมันไม่เป็นธรรมนะลักษณะอย่านนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มใช่ไหมเนี่ยพ้นใสูตรเนี่ยพ่อค้าก็ต้องระเวียนระวังอยู่ตามกฎเกเษตรก็อยู่ตามกฎพ่อค้าก็อยู่ตามกฎใช่ไหมล่ะ อแต่เนี่ยข้าราชการก็เหมือนกันกินหัวกินหัวพ่อค้าข้าราชการถ้ามึงจะมึงจะทําถนนทําให้กูห้าสิเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซนตกินหัวขิวกูจะไม่เซ็นให้มึงเออมาถ้าเอามาน้อยกูมันแบ่งกันไม่ทั่วถึงพอได้เจอกับพ่อค้าทั้งหลายก็ยอมประยอมเซ็นให้แล้วก็ไปทําถนนมันก็ห่วยทั้งหมดเลยเพื่อนทั้งที่มันจะมีหินมีแต่ดินเหนียวซัดลงไปใช่ไหม เสียดแลรกกับพมก็ไปเปไน็นไจบไปเออสร็นให้ผมกินเงินของเขาแล้วน่ะอันนี้แหละประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อวายมันมันมั น, ม, น, ม, นมันต้องปรับปรุงใหม่อันนี้นักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาฟังไว้นะลูกหลานนะทูเจ้าอย่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะให้ฟังเอาไว้อันนี้เพื่อการศึกษาทนะั้งหมดหลวงพ่อพูดให้ฟังในเพื่อการศึกษานะทามันไม่ถูกก็ไม่เป็นไรทิ้งเลยเถ้ามันถูกโอ้ชายน่าจะไปคิดต่อใช่ไหมละ่ะออ เอาละพอแล้วเอาละพอจะบรรณ